นาปารมีสัมปันโนธานะอุปปารมีสัมปันโนทานาปรบาตตปารมีสัมปันโนเมตตาไมตรีการุณายุทิตาอุเบคาปารมีสัมปันโนอิติปิ สัมปันโนสีลักุปปารมีสัมปันโนสีลัปรมัตถะปารมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาบุรุษาปารามีสัมปันโนอิติปิโส ปารมีสัมปันโนเนคัมมะปุปปารมีสัมปันโนเนคัมมะปรมาธาปารมีสัมปันโนเมตตาไมตรีการุณมุติตาอุเบกขาปารามิสัมปันโน ปัญญาปารมีสามปันโนปัญญาอุปปารมีสามปันโนปัญญาปรมัตถาปารมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณานุติตาอุเบกขาปารมี สัมปันโนอิติปิโสภคววิริยะปารมิสัมปันโนวิริยะอุปปารมีสัมปันโนวิริยะปรมัตถารมีสัมปันโนเมตตามัตริกรุณาบุติตาบุเ สปารมสัมปันโนอิติปิโสภควานติปารมีสัมปันโนันติอุปปารามิสัมปันโนันติปรมัทธปารมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณา ตุเบขาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภควาสัจจปรามีสัมปันโนสัจจุปาปรามีสัมปันโนสั จะป aramatta paramisampanno เมตตาไมตรีกรุณามุติตาอุเบกขา paramisampanno param idhipi param sopakawatithana paramisampanno atithana upaparamisampanno อธิธานะป a r มั a t t a parami sampanno เมตตาไมตรีกรุณยุติตาอุเบกขา parami sampanno อิติปิโสภาคะวาเมตตา parami sampanno เมตตาอุปา parami สัมปันโนเมตตา p a r มั a t t a มีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณายุทาอุเบกขา p a r สัมปันโนอิติปิโสพะควอุเบกขา p a r มีสัมปันโน อุปปาระมีสัมปันโนุเบขาปารมัตถารมีสัมปันโนเมตตาไมตรีการุณามุติตาอุเบขาปารมีสัมปันโลอิติปิโสภาวานัศปารมีสัมปัน ทัศคุปปารามีสัมปันโนทัศปรมัทธารามีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาบุเบคาปรามีสัมปันโนอิธิปิโสภคว สารังัชามนมามีัง